ท่าเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเป็นวันพุธ22ตุลาคมพุทธศักราช2557าสเเป็นวันพระวันธรรมวัฒนาวันฟังธรรมวันที่เราจะได้มาฟังคำสอน อันประเสริฐเลิศโลกที่ไม่มีคำสอนใดในโลกนี้ที่จะเหมือนที่จะมีคุณประโยชน์มีประสิทธภาพที่จะทำให้สัตว์โลกทั้งหลายดับความทุกข์ใจให้หมดไปจากใจได้ความรู้ทั้งหลายในโลกนี้ทั้งหมดในโลกนี้ ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ใจของสรรโลกได้ต้องเป็นความรู้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวเท่านั้นที่จะสอนที่จะนำพาสร์โลกให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ใจและนำพาสร์โลกให้หลุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิด ในพบน้อยพบใหญ่ได้นี่แหละคือความเลิ่นโลกความประเสริฐของพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่นานๆจะเกิดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาของพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นสิ่งที่ยากเย็ยนยิ่งกว่าถูกอลอตเตอรี่รางวัลที่1น0่รครั้ง ถูกถลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งรครั้งยังง่ายกว่าการที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาดังนั้นเมื่อเราได้พบได้ถูกรางวัลที่หนึ่งที่มากกว่าร้อยครั้งถ้าเราไม่รีบไปขึ้นรางวัลเดี๋ยวเวลาเราตายไปเราก็จะไม่สามารถรับรางวัลได้ ปกติถ้าหวยออกวันนี้ตอนบ่ายเราก็รู้ละถ้าถูกตอนเย็นนี้ก็ไปรับเงินกันแล้วแต่ทำไมเวลาถูกหวยแบบนี้กับไม่รับกันไม่รีบรับกันเพราะว่าไม่ยอมเสียค่าใช้จ่ายการที่จะไปรับรางวัลของพระพุทธศาสนาได้เราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายก็คือเราต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ สละลาบยศสละเสริญสละความสุขทางตาหูจมูกลินกายถึงจะสามารถไปขึ้นรางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาได้ถ้าเรายังเสียดายลาบยศสละเสริญเ ส, สียดายความสุขทางตาหูจมูกลินกายเราก็จะไม่ได้ขึ้นรางวัลไม่ได้รับรางวัล ไม่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้บรรลุมรรคสีผลสีนิพพานอยูเราจะเอาอย่างไรเราต้องเลือกเอาเพราะว่าทางโลกกับทางธรรมนี้ไปกันคนละทางทางโลกไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดทางธรรมไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด ดังนั้นเราจะมารักพี่เสียดายน้องไม่ได้เรามาจะจับปลาสองมือไม่ได้จับปลาสองมือเดี๋ยวก็หลุดหลุดมือไปทั้งทั้งสองมือรักพี่เสียดายน้องก็จะไม่ได้ทั้งพี่ไม่ได้ทั้งน้องเพราะพี่เขาก็ไม่เอาเราน้องเขาก็ไม่เอาเราเขาต้องการให้เรารักเขาคนเดียวฉันใดถ้าเราอยากที่จะ ได้สิ่งที่เลิศที่ประเสริฐได้ความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่ถาวรได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ถาวรความสุขที่เราจะได้รับจากพระนิพพานนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ถ้าเปรียบเทียบคุณค่าก็เหมือนเพชรกับก้อนหิน ความสุขของพระนิพพานนี้เป็นเหมือนกับเพชรความสุขของทางโลกนี้เป็นเหมือนก้อนหินราคามีความแตกต่างกันมากก้อนหินก้อนบเบล่มยังสู้ราคาเพชรก้อนนิดเดียวไม่ได้นี่แหละคือคุณค่าของพระพุทธศาสนาดังนั้นเราไม่ควรที่จะปล่อยโอกาสอันนี้ให้ผ่านไป เพราะนานจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งเหมือนกับการที่เราจะขึ้นรถเดินทางนี่พระพุทธศาสนานี่ก็เป็นเหมือนรถขบวนสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่ขึ้นเราก็จะต้องเดินไปถ้าเราขึ้นเราก็นั่งไปอย่างสบายไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องไปกันได้ดังนั้นวิธีที่จะทำให้เรา เห็นคุณค่าของการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและเห็นคุณเห็นโทษหรือเห็นความไร้ค่าของสิ่งที่เรายึดติดอยู่สิ่งที่เรายึดติดอยู่นี้มันเป็นของชั่วคราวมันแค่มิตรแค่ชีวิตนี้เท่านั้น อเราตายไปแล้วของต่างๆที่เราหามาแทบเป็นแทบตายที่เรารักษาไว้แทบเป็นแทบตายก็จะกลายเป็นของคนอื่นไปแล้วเราก็จะไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เกิดมาแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่พยายามคิดถึงเวลาที่เราแก่บ้างไม่ว่าจะเป็นอย่างไร คิดถึงเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างว่าเป็นอย่างไรคิดถึงเวลาที่เราจะต้องตายกันว่ามันเป็นอย่างไรถ้าเราไม่คิดกันเราจะไม่เห็นโทษของมันเราก็จะคิดว่าอแก่ง่ายเจ็บง่ายตายง่ายไม่เดือดร้อนอะไรลองเจ็บดูสักครั้งหนึ่งลองไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็ง เหลือสาเดือนรักษาไม่ได้ดูซิว่าจะยิ้มได้ไหมดูซิว่าจะเฉยได้ไหมไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนได้หรือไม่นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องคิดอยู่บ่อยๆแล้วถามซิว่าของต่างๆที่เรามีอยู่นี้มันช่วยเราได้ไหมมันดับความทุกข์ใจของเราได้ไหม เอาเงินมากองไว้ข้างหน้าแล้วนั่งนับมันดูมันแล้วทำให้ความทุกข์ใจหายไปหรือเปล่ามันไม่หายหรอกเพราะมันไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ใจของเราได้มีแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่จะดับได้วิธีที่เราจะเอาคำสอนเข้ามาสู่ใจก็ต้องผ่านการศึกษาผ่านการปฏิบัติ ผ่านการบรรลุธรรมต้องผ่านทั้งสามขั้นธรรมะถึงจะเข้ามาสู่ใจได้ธรรมะตอนนี้ที่พวกเราได้ยินได้ฟังกันนี้ยังไม่ได้เป็นธรรมะอยู่ภายในใจเพราะอะไรเพราะว่าเราลืมเราฟังธรรมะเสร็จแล้วเราก็ลืมไปพอเราออกไปจากศาลาเราก็ ไม่ได้คิดถึงธรรมะเลยพอเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายก็ตกใจเกิดความกลัวขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ลืมความแก่เราไม่ลืมความเจ็บเราไม่ลืมความตายอย่างที่พระเจ้าทรงสอนให้พิจารณาอยู่เนืองๆว่าเราเกิดมาแล้วต้องมีความแก่เป็นธรรมดา มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาถ้าเราคิดอย่างนี้เรื่อยๆ เ, เราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจปลงพอถึงเวลาเราจะได้ไม่กลัวไม่เดือดร้อนวิธีที่เราจะไม่กลัวไม่เดือดร้อนเราก็ต้องหัดทําใจให้นิ่งให้สงบ เพราะเวลาทำใจให้เนี่งให้สงบแล้วไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นใจจะไม่เดือดร้อนนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราต้องทากันคือสร้างความสงบให้กับใจให้ได้และการที่จะสร้างความสงบให้กับใจได้เราก็ต้องมีเวลาถ้าเราไม่มีเวลาเราก็สร้างไม่ได้ เวลาเรามีด้วยกันทุกคนเหมือนกันหมด24ชั่วโมงเท่ากันแต่การใช้เวลาของพวกเรามันไม่เหมือนกันของพวกเราส่วนใหญ่เราจะไปใช้กับการหาเงินหาทองแล้วก็จะใช้กับการใช้เงินใช้ทองมันก็เลยไม่มีเวลาที่จะมาทำใจให้สงบกันถ้าเราอยากจะ มีเวลาทำใจให้สงบเราก็ต้องหยุดหาเงินหยุดใช้เงินใช้เงินเท่าที่จาเป็นอย่าใช้กับสิ่งที่ไม่จาเป็นส่วนใหญ่เราจะใช้เงินกับสิ่งที่ไม่จําเป็นเงินส่วนใหญ่ของเรา 90% นี้หมดไปกับสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องใช้สิ่งที่จําเป็นต้องใช้นี้มีเพียง 10% เเท่านั้นเองก็คืออาหารที่อยู่อาศัย เครื่องนึ่งหงยารักษาโรคแต่เราจะใช้แบบเกินความจำเป็นแทนที่จะใช้ค่าอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแบบถูกๆเราก็ต้องใช้ของแพงๆอย่างนี้มันก็ถือว่าใช้แบบไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าอาหารจะแพงอาหารจะถูกมันก็ทำหน้าที่เหมือนกัน เสื้อผ้าจะแพงเมื่อเสื้อผ้าจะถูกมันก็ทำหน้าที่เหมือนกันคือปกปิดอวัยวะร่างกายป้องกันอากาศหนาวเย็นต่างๆเหมือนกันใส่เสื้อผ้าชุดละสองสกับชุดละสองสามพันมันก็ทำหน้าที่เหมือนกันรับประทานอาหารมื้อละสองสกับมื้อละสองสาพันมันก็ทำหน้าที่เหมือนกัน ดับความหิวของร่างกายรักษาให้ร่างกายอยู่ต่อไปได้เช่นเดียวกับบ้านบ้านจะเป็นบ้านราคาสิบล้านร้อยล้านหรือเป็นบ้านเช่ามันก็เป็นที่อยู่อาศัยเหมือนกันเป็นที่หลบแดดหลบฝนเหมือนกันยารักษาโรคจะรักษาแบบสาสบบาทรักษาทุกโรค หรือจะไปรักษาตามโรงพยาบาลเอกชนมันก็ตายเหมือนกันรักษายังไงก็ตายเหมือนกันเพราะชีวิตนี้ไม่มียาอันใดที่จะไม่ให้ร่างกายนี้ตายได้อย่างมากก็ปวิงเวลายืดเวลาให้ให้ทุกทรมานมานะมากขึ้นไปเท่านั้นโรงพยาบาลเอกชนนี้เขาอยากจะให้เราเจ็บนานๆก็ไม่อยากจะให้เราตายทันทีทันใด เพราะว่าเขาจะได้มีรายได้ทุกครั้งเขาฉีดยาทุกครั้งเขาเอายาให้เราใช้ยาใช้หมอนี่เขาได้เงินเขาได้รายได้แต่ถ้าไปทางโรงพยาบาลเหลวงนี่เขาไม่ค่อยอยากจะให้เราอยู่นานๆเพราะว่าที่มันไม่ค่อยมีคนอยากคนต้องเข้าไปรักษากันเยอะยันรักษาแบบนี้ไม่ทรมานเงินก็ไม่เสียมาก ญาติพี่น้องก็ไม่เดือดร้อนอทั้งที่ญาติพี่น้องหดเนื้อหมดตัวกับการดูแลรักษาเราแล้วเป็นไงก็ตายเหมือนกันนี่แหละคือการใช้เงินแบบไม่จําเป็นควรจะเอาเงินถ้าเราใช้เงินแบบไม่จําเป็นแบบนี้เราก็ต้องลิ้นรนหาเงินมากันเราจึงไม่มีเวลามาวัดมาฟังเทศฟังธรรม มาศึกษามาปฏิบัติธรรมมาบรรลุธรรมกันนี่แหละปัญหาพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราหัดอยู่แบบมากน้อยสันโดษเอาน้อยน้อยเอาถูกถูกถ้าของสองอย่างราคาต่างกันแต่ทำหน้าที่ได้เหมือนกันเอาของถูกดีกว่าสบายกว่าไม่ต้องไปเดินนลนหาเงินหาทอง ใส่เสื้อผ้าชุดละเหมือนกับใส่เสื้อผ้าชุดละพันมันก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันไปงานได้เหมือนกันซื้อนาฬิกาของแท้กับซื้อของเทียมใส่ไปก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันนะซื้อเพชรแท้กับเพชรปลอมใส่ก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันคนจนใส่เพชรแท้เขาคิดว่าเป็นเพชรปลอมคนรวยใส่เพชรปลอมเาก็คิดว่าเป็นเพชรแท้ มันไม่ได้อยู่ที่เพชรแท้และเพชรจริงมันอยู่ที่เครเดิตของเราว่าเรามีเครดิตหรือไม่ถ้าเรามีเครดิตเราใส่ของปลอมก็คิดว่าเป็นของแท้ถ้าเราไม่มีเครดิตเราใส่ของแท้ก็คิดว่าเป็นของปลอมแต่เราไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของความคิดของคนอื่นเพราะว่าความคิดของคนอื่นมันไม่ได้มาดับความทุกข์ใจของเราได้หรอก เรามาสนใจกับการวิธีดับความทุกข์ใจดีกว่าวิธีแรกก็คือต้องอยู่แบบมักน้อยสันโดษอย่าไปฟุ้งเฟอ้ออย่าไปฟุ่มเฟือยซื้อของที่จําเป็นจริงๆของที่ไม่จําเป็นอย่าไปซื้อมันแล้วเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากกับการไปหาเงินหาทองแล้วนอกจากการ ไม่ใช้ของฟุ่มเฟือยแล้วก็ต้องไม่ใช้เงินไปซื้อความสุขต่างๆไปซื้อของต่างๆไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆของเหล่านี้ก็ไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจมันมีแต่จะทำให้จิตใจกลายเป็นทาตของมันต้องคอยหามาอยู่เรื่อยๆต้องเที่ยวอยู่เรื่อยๆต้องดูต้องฟังอยู่เรื่อยๆเวลาที่ไม่สามารถที่จะหาได้ ไม่สามารถที่จะเที่ยวได้ก็จะเกิดความทุกข์ใจเกิดความวุ่นวายใจแล้วก็อาจจะต้องไปทําบาปทํากรรม <c oughs> พราะเมื่อหาเงินทองโดยวิธีสุจริตไม่ได้ก็จะต้องไปหาด้วยวิธีทุจริต <c oughs> เพื่อจะได้เอาเงินมาซื้อมาใช้ตามความอยากนี่แหละ <c oughs> คือปัญหาของพวกเราเราอยากไปเสียดายสิ่งเหล่านี้ มันเป็นเหมือนยาเสพติดเป็นเหมือนยาพิษที่จะมาทําให้จิตใจของเราต้องทุกข์ทรมานอยู่ตลอดเวลาต้องหิวต้องอยากอยู่ตลอดเวลาขอให้เราพยายามต่อสู้กับความอยากเหล่านี้เถิดแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปดินน้นรนไปหางานหาเงินมาแล้วเราจะได้มีเวลามาวัด มาศึกษาพระธรรมคําสอนมาปฏิบัติพระธรรมคําสอนของพพระพุทธเจ้าพอเราปฏิบัติแล้วเราก็จะบรรลุพอบรรลุเราก็จะมีธรรมะอยู่ภายในใจของเราการบรรลุ ก, ก็คือการเห็นธรรมเวลาที่ปฏิบัติไปแล้วพอเห็นทุกเห็นทุก์ที่เกิดที่ในใจ เห็นเหตุที่เกิดของทุกว่าเกิดจากความอยากเห็นวิธีการดับทุกว่าต้องเห็นว่าอยากได้มาเท่าไหร่ก็ไม่สามารถดับความทุกข์ได้ดับได้ก็เดียวเดียวเช่นเวลาทุกข์กับการอยากจะดื่มสุราพอไปดื่มสุรามาความทุกข์ก็หายไปแต่หายไปเดียวเดียวเดี๋ยวก็เกิดความอยากดื่มสุราขึ้นมาใหม่ ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นใหม่ถ้าอยากจะดับความทุกข์อย่างถาวรก็ต้องไม่ไปดื่มสุราทุกครั้งที่เวลาอยากเวลาทุกข์ก็นั่งสมาธิไปบริกรรมพุทโธพุทโธไปทำใจให้สงบไปพอใจสงบความอยากก็สงบตัวลงความทุกข์ก็หายไปถ้าเราทำอย่างนี้ไปได้เรื่อยทุกครั้งที่เกิดความอยาก เราเพราะเราเห็นว่าความอยากนี้เป็นเหมือนยาพิษเราไม่กินยาพิษวิธีไม่กินยาพิษก็คือไม่ต้องทําตามความอยากทุกครั้งที่อยากจะดื่มสุราก็ไม่ดืม่มบอกว่ามันเป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจเพราะดื่มแล้วก็จะต้องเป็นทาาของมันจะต้องดื่มอยู่เรื่อยๆดื่มไปจนกระทั่งตายคนที่ดื่มสุรามากๆก็ตายเพราะพิษสุรานี่เอง ตับไตไส้ทงมันนับไม่ได้กับพิษุรามันก็ต้องตายไปตายไปแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าความอยากดื่มสุราจะหมดเพราะว่าความอยากมันไม่ได้อยู่ในร่างกายความอยากมันอยู่ในใจใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเป็นกายทิพย์ใจก็กลับมาเกิดใหม่พอเกิดมาเกิดใหม่ก็เกิดอยากดื่มสุราใหม่ พอไปเจอสุราก็อดไม่ได้ก็ต้องดื่มใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกภพทุกชาติถ้าไม่แก้ไขถ้าไม่หยุดมันก็จะไม่หยุดถ้าหยุดต่อไปมันก็จะไม่ดื่มดังนั้นเราขั้นต้นเราต้องรู้จักวิธีทำใจให้สงบก่อนเพราะว่าถ้าใจไม่สงบเราจะไม่มีที่หลบภัยเวลาเกิดความอยากขึ้นมา เวลาเกิดความอยากขึ้นมาถ้าไม่มีความสงบมันก็จะมันก็จะลิ่นมันจะทรมานแล้วมันก็จะทนไม่ได้มันก็จะต้องไปทำตามความอยากแต่ถ้าเรามีความสงบอยู่เวลามันอยากเราก็พุโทโธพุโทโธไปทำใจให้สงบแล้วความอยากก็จะไม่สามารถที่จะทำให้เราต้องไปทำตามความอยากไนดะ้ แล้วพอเราหยุดความอยากขั้งแรกได้ขั้งที่สองความอยากก็จะอ่อนกำลังลงอ่อนลงไปเรื่อยๆตามตามขั้นของมันแล้วในที่สุดมันก็จะหมดกำลังไปคนที่เลิกสุราได้เวลาเห็นสุราจะรู้สึกเฉยๆไม่เดือดร้อนอะไรยิ่งย่งถ้าเห็นว่ามันเป็นอันตรายต่อชีวิตจิตใจมันจะไม่กล้าแตะเลย มีใครจะหยิบ ม, มาให้ดื่มก็จะไม่ดื่มนี่แหละต้องเห็นด้วยปัญญาถึงจะเลิกดื่มได้อย่างถาวรปัญญาคืออะไรก็ต้องเห็นโทษของมันเห็นโทษของความอยาก<ม>เห็นโทษของสิ่งที่เราอยากได้ว่ามันเป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจของเราถ้าเราไม่เห็นโทษเช่นคนบางคนจะถือการไม่ดื่มสุรา ในช่วงเข้าพรรษาสามเดือนเวลาอยากดื่มสุราก็ฝืนฝืน ไ, ม, ไ ม, ม่ไม่ดื่มไม่ดื่มแต่พอออกพรรษาปั๊บพอพ้นเขตที่ได้ตั้งใจเอาไว้พอเห็นสุราก็จะหยิบมาดื่มทันทีอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้หยุดด้วยปัญญาหยุดด้วยขันติความอดทนอดกลั้นถ้าอยากจะอดถ้าอยากจะทำให้ความอยากหายไป ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นโทษของความอยากว่าความอยากนี้เป็นตัวที่สร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจแล้วสิ่งที่อยากได้ก็ไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงนอกจากไม่เป็นความสุขแล้วยังเป็นความทุกข์อีกเพราะจะทำให้เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ เ, เหมือนคนที่ติดยาเสพติ ด, ต, ดติดสุรายาเมานี้ กับคนที่ไม่ติดนี่ใครจะสบายกว่ากันคนที่ไม่ติดสุลาก็ไม <sk> ่เดือดร้อนมีสุลาดื่มหรือไม่มีดื่มก็ไม่เดือดร้อนคนที่ไม่ติดยาเสพติดจะมียาเสพติดเสพหรือไม่ก็ไม่เดือดร้อนแต่คนที่ติดยาเสพติดอยากจะเสพยาเสพติดอยากจะดื่มสุรายาเงาเดือดร้อนหรือเปล่าเวลาไม่มีเสพไม่มีดื่ม แล้วเวลาเสพมากมากเดิน ม, มากมา ก, มากเป็นอย่างไรร่างกายนี้อยู่ได้หรือเปล่าอยู่ไปจนถึงแก่ได้หรือเปล่าอยู่ไม่ได้ร่างกายนี้จะต้องเสียชีวิตไปก่อนเวลาอันควรนี่คือการใช้ปัญญาต้องพิจารณาเห็นโทษของมันเห็นว่ามันมันเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราจะไม่กล้าไปแตะมัน เหมือนกับเราเห็นยาพิษนี่เราจะกล้าไปหยิบมาดื่มหรือไม่ถ้าเขามีเขียนกากบาทมีหัวกระโหลกไขว้กระดูกเขียนว่าอันตรายเราจะหยิบขึ้นมาดื่มหรือเปล่าทั้งๆ ท, ที่มันอาจจะเป็นน้ำเปล่าๆก็ได้เพียงแต่เห็นป้ายเราก็กลัวมันละฉันใดขอให้เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ว่าเป็นเหมือนยาพิษเป็นเหมือน เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อจิตใจของพวกเราเพราะทําให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่มาเป็นเวลาอันยาวนานแล้วแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปตายไปความอยากที่จะอยากจะหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็ยังไม่หมดไปก็เลยจะดึงใจให้กลับมาเกิดใหม่ กลับมาเกิดใหม่ก็ต้องมาทุกกับการดิ้นรนกับการแสวงหากับการรักษาร่างกายดูแลร่างกายแล้วก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ของร่างกายทุกกับความเจ็บของร่างกายทุกกับความตายทั้งของร่างกายทั้งหมดนี้เกิดจากความอยากตัวเดียวนี่เอนี่ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดๆและเวลาเกิดความอยาก ที่ไม่ดีความอยากที่ดีไม่เป็นไรเช่นความอยากจะเลิกดื่มสุรานี้ดีเลิคิดอย่างนี้ดีแต่ความอยากจะดื่มสุราไม่ดีไม่ใช่ว่าความอยากทั้งหมดจะไม่ดีความอยากที่ดีก็มีความอยากที่จะบวชอย่างนี้ก็ดีความอยากที่จะมาวัดก็ดีความอยากที่จะรักษาศีลก็ดี ความอยากที่จะเอาเงินที่จะไปซื้อยาเสพติดซื้อสุรายาเมาเอามาทาบุญอย่างนี้ก็เป็นความอยากที่ดีความอยากเหล่านี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยเพราะความอยากเหล่านี้จะดับความอยากทั้งหลายที่เป็นพิษเป็นภัยให้หมดไปจากใจของเราได้นี่แหละคือปัญญาที่เราต้องพยายามสอนใจอยู่เรื่อยๆและเราต้องฝึกทาใจให้สงบ ถ้าใจเราไม่สงบเราจะไม่มีกำลังต่อสู้กับความอยากเราจะไม่มีกจิตกรใจที่จะพิจารณาให้เห็นโทษของความอยากได้ดังนั้นเบื้องต้นต้องทำใจให้สงบ ก, ก่อนจะทำใจให้สงบ ก, ก็ต้องไปอยู่ที่สงบอยู่บ้านทำไม่ได้เพราะที่บ้านมันวุ่นวายหนาเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้ไหนจะแสงจะสีจะเสียงอะไรต่างๆวุ่นวายไปหมด ต้องไปอยู่ที่สงบวัดก็คือที่สงบถ้าวัดไม่สงบก็ไม่ถือว่าเป็นวัดเช่นบางวัดเป็นเหมือนกับซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีเป็นเหมือนโงรงภาพยนตร์ก็มีมีมหรสพบันเทิงต่างๆฉลองสมโพชอย่างนี้เราไม่เรียกว่าเป็นวัดวัดต้องเป็นที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะมีแต่ความสงบวิเวก ถึงจะเรียกว่าเป็นวัดต้องไปหาวัดแบบนั้นแล้วเราจะได้มีเวลาที่จะได้เจริญสติไม่มีอะไรมาลบควนใจมาควบคุมใจให้สงบได้พอใจเราสงบแล้วเวลาออกจากความสงบมาถ้าเกิดความอยากก็ใช้ปัญญาสอนใจว่านี่แหละคือยาพิษนี่แหละคือตัวตัวข้าวศึกศัตรูของเรา เราต้องฆ่ามันเราอย่าไปรับใช้มันพอมันสั่งให้เราไปหยิบกาแฟมาก็บอกไม่เอาถ้าอยากจะดื่มก็ดื่มน้ำน้ำไม่เป็นพิษเป็นภัยดื่มน้ำไปจนมันตายก็ไม่ติดแต่ดื่มกาแฟแล้วมันติดเวลาไม่มีกาแฟแล้วมันจะดิ้นมันจะเดือดร้อนมันจะทุก่์การปฏิบัติของเราก็เพื่อดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปทุกข์ก็เกิดจากความอยาก ดังนั้นเมื่อเกิดความอยากที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจเราก็ต้องดับมันแต่ถ้าเกิดความอยากที่ทําให้ดับความทุกข์ใจได้เราก็ทำเราก็อยากได้อยากจะทําบุญอยากจะอดข้าวอยากจะอดกาแฟอยากจะอดสุรายอดไปเลยรับรองได้ว่าเป็นประโยชน์เพราะจะทําให้ไม่มีความทุกข์ภายในใจนี่แหละถ้าเรามีปัญญา เราก็จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆมาเพราะเราจะเห็นทำเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากและการดับความทุกข์ก็คือต้องหยุดความอยากหยุดด้วยปัญญาคือให้ปัญญาชี้ให้เห็นว่าความอยากนี้เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยและสิ่งที่อยากได้มาก็ไม่สามารถทำให้ใจ ดับความทุกข์ได้แต่กลับจะเพิ่มความทุกข์ใจเพิ่มขึ้นมาอีกถ้าเราเห็นอย่างนี้ก็แสดงว่าเราเห็นธรรมเรามีธรรมอยู่ภายในใจถ้าเรามีธรรมอยู่ภายในใจแล้วไม่ว่าเราจะไปเกิดต่อหรือไม่เกิดต่อเราก็สามารถที่จะใช้ธรรมะที่มีอยู่ในใจของเรานี้ดับทุกข์ให้หมดได้ต่อไปเกิดมาคราวหน้าถ้าไม่เจอกับพระพุทธศาสนาก็ไม่เป็นไร เพราะเรามีธรรมอยู่ภายในใจแล้วแต่ถ้าเรายังไม่มีธรรมอยู่ภายในใจกลับมาเกิดชาติหน้าพอไม่เจอพระพุทธศาสนาเราก็ไม่รู้ว่าธรรมะเป็นอะไรเพราะเราจะลืมถ้าไม่มีธรรมะอยู่ภายในใจมันจะลืมแม้แต่เรายังลืมชาติก่อนเลยว่าชาติก่อนเราเคยเป็นอะไรมาบ้างเป็นหญิงเป็นชายเป็นมนุษย์หรือเป็นเดราาัจฉานเราไม่รู้จําไม่ได้ แต่ถ้าเรามีธรรมะอยู่ภายในใจนี้มันจะไม่ลืมมันจะจำได้มันจะรู้ทุกครั้งเวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาว่าเกิดจากความอยากของตัวเองและจะรู้วิธีดับมันได้นี่แหละคือทาที่พวกเราควรจะสร้างกันขึ้นมาให้ได้ควรให้มันมีอยู่ภายในใจของเราให้ได้ถ้ามีแล้วเราก็จะพุ่งไปสู่พระนิพพานเพียงอย่างเดียว เราไม่ต้องรอพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีครูอาจารย์ไม่เป็นไรเพราะเรามีพระพุทธศาสนาอยู่ภายในใจของเราแล้วเรามีเรามีอาจารย์อยู่ภายในใจของเราแล้วคือพระอริยสัจสีนี่จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อที่จะมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อจะได้ เกิดปัญญาเกิดความรู้ที่ไม่มีความรู้อันใด ใ, ในโลกนี้ที่จะสามารถทำหน้าที่แบบความรู้อันนี้ได้ <_' iras> ก็คือการดับความทุกข์ใจต่างๆให้หมดไปและการยุติการเวียนว่าตายเกิดของเราได้การแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลา